เมตตาเดียวเนี่แหละไม่ต้องพูดมากไม่จำเทศมากแล้วแต่เมตตานี่นแหละเป็นเครื่องอุปธรรมท้าททจุดโลกให้ตั้งมัน่นธาตุบอลเดียวไปได้เพราะเมตตาตัวเดียวถ้าขาดเมตตาเจอแล้ ว, วโลกจะสิ้นหายหมดไม่ถึงทิพตาเดียวเลย แต่หากคนปฏิบัติคนเกิดมาในโลกนะั้นลืมตัวเลยได้คิดถึงเมตตาเมตตาเป็นเครื่องข้มจุนโลกไว้ได้อยู่วันทุกวันนี้เพราะเมตตานะั่นแหละแต่หาต้องได้คิดถึงคนเราทุกคนไม่คิดถึง โดยส่วนมากคิดถึงน้อยที่สุดต้องมีหลักคือความสงบไม่มีเมตตาเกิดจากความสงบสงบเป็นกลางแล้วลงเป็นหนึ่งเป็นกลางแล้วจึงจะรู้จักเมตตา คนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเมตตาแต่ว่ามากและน้อยถ้าเมตตามากก็ได้ความสุขมากเมตตาน้อยก็ได้ความสุขน้อยโดยเฉพาะอย่างครอบครัวหนึ่งถ้ามีเมตตาแก่กันและกันอยื่กเย็นเป็นสุขถ้าไม่มีเมตตาเดือดร้อนหุ่นวาย ลูกของงานขันธัญญาสามีก็เหมือนกับในโดยจับคอนขันธันยาวมีแต่เราเปรียบแต่เร้อนอุนไหวเราใส่มดต้องเกิดมาในโลกก็ต้องมีเมตตาแลยสิเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ตอนน้องนีญาติมีพี่น้องพวเพื่อนหมู่คุ้มเพื่กันถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็นี่เมืตากรได้แต่ก็อยู่ในปา่าเพิ่นไอยู่คนเดียวในป่าเพิ่แต่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจะวิ่งเข้ามาหาหมู่เห็นนั่นเมื้อตานั่ น, น หมายถึงความเป็นนี้คือเมตตามมาเกิดมาจากมิตรตนเองคำาเมตตานะคือมิตรนั่นแหะอาจารีเป็นเอไม่เป็นเมตตามิตคือตัวของเราตัวของเราเช่นใดคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นปาสนาความสุขถ้้เกิดตัวของเราเช่นใด ปราชนาทิ้งคนอื่นเห็นคนอื่นก็ปราชนาจิ้นนั้นเหมือนกันเราอยู่เป็นหมู่เป็นพักเป็นพวกด้วยกันเพื่อแ ก, ป ก, กอ้ประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆน้อยประโยชน์ในที่นี้ประโยชน์ในส่วนตัวซึ่งเป็น อานิสสิ่งของเครื่องใช้ในสอยทุกสิ่งทุกการมนั่นก็เมื่อเประโยชน์ผู้เห็นส่วนตัวจึงยะได้อยากจะให้ได้ส่วนตัวทายเดียวคนอื่นนั้ใครจะมีก็มีกระตาใครจะได้ก็ได้กระจักรนันนี้เป็นอาวิสสิการควาคิดความเห็น ก็ เ, เอาไปใจของตนไม่คิดถึงใจคนอื่นเวลาพูดเวลาจาทั้งคียาการทุกสิ่งทุกอย่างคนผันผันแน่เอาได้ใจของตนม่คิดตรงคนอื่นถ้ายอมคิดถึงคนอื่นบ้างก็จะผ่อนความผพันนั้นแน่มันลงไปได้สักนิดหนึ่ง คือคิดว่าคนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังคําพูดคําจาทั้ ง, งเราพูดจาพาธิมันจะเป็นยังไงสมมติถ้าเราเป็นคนอื่นอย่างคนอื่นพูดให้อย่างเรานี่แหละเป็นคนอื่นให้เราพูดอย่างคนอื่นพูดอย่างเรานี่แหละถ้าเราฟังลองดู มันจะเต็มใน <c oughs> นี่คือความเดือดร้อนวุ่นวายของคนทั้งหลายที่อยู่ด้ยวยกันอยู่ร่วมกันมันวุ่นวายเดือดร้อนดโดยคาพูดด้วยสัญยาอาการด้วยการกระทำมีเมตตามันจะใครเดือแล้ว อาหารก็อาาศรอนนี้ทั่วไปมดทุกแห่งทุกคน